สิ่งเหล่านี้แหละเป็นความกดข่มอย่างแรงทั่างรุ่อรายนะคะเนี่ยเพื่อเข้ากับว่าเป็นการต่อต้านการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธใช่หรือไม่คะนะฮะแต่อีท่านเห็นว่าถ้าหากว่าความเห็นของอีท่านก็เห็นว่าอาจารย์พูดเนี่ยในขณะนี้เนี่ยคงจะพูดแต่ในธรรมะขั้นสูงนะคะถ้าขั้นนี้ก็อาจจะเป็นธรรมะขั้นต้นก็ได้นะคะท่นนี้อีท่านเข้าใจว่าเป็นคือก็เป็นคำถามที่จะถามอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์กําลังจะบรรยายสิ่งที่พูดสอศาสนาเรียกว่า พยักกับกับทอะไรหรือเปล่าคนะคะใช่ไหมคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันจริงจิตเบนะคิดไม่ได้เป็นประภาพที่เหนือความคิดหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเจริญปัญญาใช่ไหมคะจอเป็นธรรมะที่สูงใช่ไหมคะท่านถามเป็นข้อข้อไปให้เนข้อที่สข้อที่สามจะข้าพยักพยักกับประทำอะไรเนี่ยนะไม่รู้พูดถูกก็ผิดหรืออะไรนี่ยนะไม่ไม่ค่อยคุ้นกับสอบพวกนี้นะที่อาจารย์พูดอยู่อันหนึง เป็นอะไรนะอะไรกันมาล้วนนะะเป็นการปฏิบัติธรรมถ้า่างจะเข้าใจว่าแบบลืมตัวจะใช่นะคะเพราะอาจารพวกว่าให้พดูดตลอดเวลาว่ารู้ตัวสดๆอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการลืมตัวบ้างไม่ได้เหรอคะไม่รู้ตัวสดๆแล้เป็นการลืมตัวนะคะเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมันอย่างไม่มีการแยกแยะหาค่าหาความหมายอันเป็นการสนองความอยากเนี่ยนะคะในการปฏิบัติธรรม เราต้องการสภาพการลืมตัวหรือตนไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ว่ารู้ตัวนะ ค, ะคือไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นนะคือเป็นการลืมตัวฉั้นอยากจะพูดว่าเอาเป็นการลืมตัวมากกว่านะฮะจะไม่พูดรูตต้ตัวสดๆอันที่สี่ข้อที่สี่นะคะเพรรค์ น, น, นั้นล้มมีข้าเป็นศูย์หรือไม่น ะ, ะอาจารย์พูดว่าเอองคำถ้าไม่มีคนเข้าไปเนี่ยนะฮะคือไม่มีคนรู้เนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ใช่ไหม คนรู้เข้ามันก็มีค่าเป็นอะไรแต่สวรรค์นรกเนี่ยมันต่างกับทองคําหรือไม่นะคะอยากจะให้อาจารย์พูดอันนี้หรือว่าอาจารย์จะบอกว่ามันก็เหมือนมาม่วงแบบมีแบบไม่มีหรืออะไรเอามีแบบไม่มีอะไรอาจารย์อธิบายทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเลยว่ามันเต็นศูนย์หรือไม่ทีนี้ใช่ท่านฟังมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะสลุปความคิดว่าเอในขณะที่คิดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยก ระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่เราผมคิดนะถ้าจะสรุปเลยเอา่านง่ายนะให้จํากันไปก็คือว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ไหมคะใช่ไหมคะ่ะถามเหมือนปืนกลเลยเนาะเป็นชุดเลยถามข้อที่หนึ่นะตัวไหนก็ไดนะ้ข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าจเจริญสติเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ว่าชั่วร้ายมากก็สะกด ผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อารต่อต้านการปฏิบัติธรรมท่านนะคะอะไรเี่อาจารย์สอบแยกหรือโมหรือว่าอะไรยะก็อาจารย์ยกตัวอย่างความจริงารก็ไม่สู้นี่ตรงๆอาจารย์ไปครับไปว่าไปยันจากความอะไรสองขุนอะไรเียโยขีอะไรเนีอาจารย์ยกตัวอย่างนี้แต่ฉันรู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าการเจริญเกษตรต่างๆเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่พูดตรงๆอร้งสิ้ความอะอย่างนั้นนะชายสาวมารูนะนี่เปข้อเน่ย ข้อทสองก็เป็นเรื่องของผมผมไม่ใช่โดเตสันหรือ น, นักคานนักส้านนะครับแต่ที่ผมถูกเชิญหรือถูกเลือกมาบรรยายนะครับผมก็พิจารณาว่าผมจะมีอะไรให้แต่ผมไปพูดในงานจริยธรรมธรรมดาหรือศีลธรรมดาเขาก็พูดกันอยู่แล้วครับ อยากกันนั้นเลยเราเห็นคุณข้าวตรงไหนเราพูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่แยแสด้วยคำพูดที่ว่าการสะกดคมอารมณ์นั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายผมผมไม่เคยพูดนะผมไม่จริงๆผมไม่เคยพูดแต่ต้องอ่านดีๆนะผมเพียงจะบอกว่าการสะกดขมอารมณ์ที่ชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่ ง, ย, งยั่งยืนนะสะกดคมแรงขับอันชั่วร้ายเหนั้นผมใช้ประโยคนี้นะแรงขับอันชั่วร้ายซึ่งเปน ทางจิตวิทยาครับคนทุกคนเนี่ยถือกันว่าอ่านี้จิตวยามีแรงขับเช่นการทำร้ายผู้อื่นอไนะรเงตวกข่มไว้มันก็ไม่ทำร้ายแต่มันจะระเบิดวันหลังผมไม่ได้ดีสเครดิตการเจริญสมรถภาวนาด้วยผมเองปฏิบัติอยู่ด้วยถือในฐานะการพักใจแต่ไม่ใช่วิปัสนาผมต้งบอกนะผมก็งบอกว่าทุเรียนนั้นเลือกก็มีนะไม่ได้มีแต่เนือ ดังนั้นโทษผมไม่ได้นะทีที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องอ่านดีๆนะครับ เ, เรื่องอพยากตะถ้าใช้สัแสงมากๆ ก, ก็ลําบากครับแต่ว่ามีข้อที่จริงอันหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้คนรุ่นห ล, หลังนะครับรุ่นใหม่ก็ตามใส่ใจในลุกในลุกติของพุทธศาสนาบ้างเราจะเอาเปรียบศาสนาจนกระทั่งไม่รู้เจในศาสนาหาคำพูดมาเสนอเราเหมือนขนมหวาน มันไม่ได้ครับนรพุติเป็นสิ่์ที่อาจารย์รุ่นโบราณค้นคว้ากันมานานมากนะเป็นยกตัวอย่างกับโลกโลกครับมาโนโดมโนโอชาเขาแปลความรักหมายถึงโอชาทางใจคศัพท์เหล่านี้มีความหมายมีสภาวะลองรับเราจะเอาเปรียบศาสนาครับเราศึกษาบ้างตามจำเป็นนะฮะแม้กระนั้นถ้าไม่อยากศึกษาก็ได้ครับจะต้องเจอคนที่ สามารถพูดลิ้นชาวบ้านได้แต่ว่าศาสนาเป็นงานใหญ่เป็นสายทานของวัฒนธรรมและอารยธรรมนะดังนั้นการพูดที่อิงพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีแต่จริงี้จำเป็นในบางช่วงบางตอนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถือเคร่งครัดว่าไปแล้วเวลาผมบรรยายผมอัตโนมัติไม่ใช่น้อยตามที่ดัดเองรู้สึกช่วยไม่ได้จริงๆครับถ้าผิดคือผิดแล้วก็ ข้อสำคัญที่สุดคือผมเพียงเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ผมไม่เคยเรียกร้องให้ใครเชื่อเลยนะครับผมบอกลองดูถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วอย่ามาโทษผมไม่ได้นะแต่มันดีมันก็ดีนะอันหนึ่งจำไม่ได้หมดนะครับอัน น, นี้นะครับเพราะอาจารย์อธิปรายในเรื่องของขยับขยัแล้วนะคืสสอ ส, ส, สุดท้ายดูดูรอบเลนะเกษตรเป็นธรรมะั้นก นเ น, นี่ดีนะครับ พ, พักนี้ก่อนนะครับพอมีประเด็นที่ต้องพูดเอจะหาสาระประโยชน์ได้ประเด็นี้ธรรมะนี่มันสูงหรือมันต่ำมันง่ายอมันยากจริงทุกคนตอบแทนได้เลยครับธรรมะนี้นะครับเพราะว่ามันลึกก็เพราะาเราไม่เคยคิดไม่เคยดู ไม่เคยก็มมงบอ่อน้ําที่บ้านเราลึกเราไม่เคยดูเลยก็ไม่รู้ว่าลึกหรือตื้นครับแต่คั้นพอเราเหลียวดูเท่านั้นครับสิ่งที่ลึกกลายเป็นตื้นนะจินตนาการนึกสาะแห่งหนึ่งครับสระลึกทีเดียวถามว่าสระลึกหรือว่าน้ํามันลึกจริ ง, น, น, ร ง, งน้ํนนะาไม่ลึกไม่ตื้นครับสาะต่างหารที่มันลึกนะตัวเราเนี่ยไม่ลึกไม่ตื้นนะครับแต่ว่าถ้าเราแล่นเลยไปแล่นเลยไปแล่นเลย เลยหลับใยภาษาในภาษาประโยคว่าท่านเล่นเลยหลับไปแล้วครับะอะไรน ะ, ะนใช่ครับวิ่งไล่ทงตัวเองคนระับอย่างนี้เรื่องตื้นอนะาจจะกลายเรื่องลึกก็ได้นะเรื่องใกล้กายเป็เรื่องไกลนะต้องเขาก็จะงงผมเนี่ยนะทางนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลครนะับแต่มันวกบน คือพอไปทางหน้าเดี๋ยวหน้ากลายเป็นหลังหลังกลายหน้าอย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเริ่มมีจิตใจที่ซื่อนะครับคําว่าซื่อนี่คำว่ า, ออา ค, คัญนะ น, นะตั้งแต่ความศักด์ซื่ออุชปปนนุปฏิบัติหนมปฏิบัติตรงๆอย่ามากเรื่องอย่าตั้งเงื่อนไขกับพระพุทธศาสนาศาสนาตัวเองบูชานะเราพูดว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าคําสอนท่านแต่เราตั้งเงื่อนไขตั้งเยอะใช่ไห เราทำเข้าไปตรงๆครับถ้ามันเหนื่อยเจ็บปวดเราก็ต้องทนเข้าไปตรงๆเนะเดี๋ยวนี้คันธิธรรมกำลังสูญหายจากแผ่นดินนี้นะคนไม่ค่อทนเลยครับผมสังเกตดูผมจะสังเกตเหตุหรือเปล่ามไม่รู้เมื่อลงขึ้นรถเมเนี่ยเด็กหนุ่มสาวทุ่งทั้งนั้นเลยครับก็เดินชนทันทีเลยโดยเอยเราคิกว่าเราแก่ไปแล้วเรไม่รู้ผมจําได้ตอนเด็กๆงั้นเราจะเคลื่อนไหวร่างกายเราระวังผู้ใหญ่พุทีนี้ไม่เลยเขาเขาดับเครื่องชน ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีปัญญาบรรยงกันนะเพราะว่าจะผิดก็ได้นะถ้าว่าจะมีมิติที่ลุ่มลึกก็คือมันอยู่เหนือความคิดครับอย่างผมจะนึกอผมจะสร้างภาพว่าขอทุกคนนึกถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเราก็เริ่มใช้เป็นองคการแรกๆอาจจะคิดถึงลูกโลกจัรกรวาลถ้ายังคิดได้ผมบอกอยังใหญ่กว่านั้นได้ใหญ่กว่านั้นอีกในสุด ใหญ่ไปใหญ่มาไม่มีครับคิดไม่ได้ลงเล็กที่จุดเด็กพิษคิดถึงลูกบอลเลยครับเล็กกว่าลูกบอลเป็นลูกกระกล้อเล็กเป็นลูกบเลียดเป็นปลายเข็มยังเล็กได้ถ้ายังนึกได้ยังต้องนึกก่อได้นึกจริงๆไม่มีครับลองนึกได้เท่าใดเราอย่างรู้เท่าใดธรรมะก็ตื้นขึ้นเท่า น, น, นั้นธรรมะก็กลายเป็นธรรมดาขึ้นเต่า น, นั้น ประเด็นอีกประเด็นที่ว่าลืมตัวนี่สำคัญครับสคัญมากในเบื้องต้นนั้นนะครับมนุษย์ไม่รู้จับตัวเองโดยพื้น mm hmm. เด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งเขาพาผู้หญิงไปเที่ยวในปา่าผู้หญิงเขาก็ขโมยซาบสมบัติแงะแหวนงินทองเครื่องแต่งตัวนี้ไปหัวหน้าเด็กหนุ่มก็ออกติดตามหาพบพทุกพระองค์นั่งอยู่ใต้รงมาม้ครับทูลถามท่านว่าก้งหญิน หญิงผ่านมาทางนี้หรือเปล่าพระเจ้าทรงหวังดีต่อเขาก็จักย้อนถามว่าเธอจะหาตัวเองหรือหาผู้หญิงดีหรือตัวเองหายไปยังไม่รู้เลยครับลืมตัวอยู่ตลอดเวลายังไม่รู้ตัวเลยซึ่งเป็นเหตุใหยเหตุหนึ่งที่ทำให้าาเด็กหนุ่มคนนั้นถอดรองเท้าแล้วเข้าไปนั่งสนทนาด้วยต่อมาในกลายเป็นสาวกองค์ที่สําคัญมากๆในการเผยแพร่ในยุคเริ่มต้ น, นครับ60รูปที่ทรงส่งไปแยกกันคนละทางสทาง โดยคำพูดง่ายๆว่าจะหาตนหรือหาหญิงดีการลืมตัวนี่ทุกคนเป็นอยู่แล้วคือคือพอเราเข้าในความคิดเราก็ลืมตัวเองทันทีครับดังนั้นในเบื้องต้นต้องรู้ตัวนะแต่ในมั่นปลายคลี่คลายการลืมตัวอีกหนึ่งในการลืมตัวแบบรู้ตัวคนระับแล้ ว, ลวบบรู้ตัวแบบลืมตัวครับแล้วคำถามนี้มันเป็นคําตอบต่อผลการภาวนามันไม่ใช่คาตอบต่อบเบื้องต้นเลย มันเป็นคนในการภาวนาครับเราจะทำเรื่มตัวกันเลยถูกรถชนจริงจริเลยนะครับเหมือนเช่นเดียวกันกับการที่คนผู้อยู่เหนือสีนเขาต้องผ่านการรักษาศินมาแล้วครับมั้นมาหลายขั้นหลายตอนมากครับแล้วแต่เราจะมุ่งเข้าสู่เจาะประเด็นไหนแล้วเน้นประเด็นไหนดฉะนั้นประสบการณ์ของการบรรยายที่ประชุมหลายแห่งครัผมพบว่า ประชุมชนที่บรรยายยากที่สุดคือคนในข้ากลางความหลากหลายนี้ทั้งเด็กทั้งคนแผ่ทั้งทั้งคนหนุ่มสาวทั้งพวกนักแอนที่พวกนักท้านสังคมพว ก, กอะไรยากมากครับดังนั้นต้องเลือกเอากลุมในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นข้อจากัดของครบรรยายในรูปความประสาหรือใช้คําคพูดเป็นสื่นอ น, นะครับดังนั้นประเด็นนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าโดยพื้นเทมนุษย์ถูกด้ยอยยุจากอารมณ์จนทั้งรูดัวที่ส่วนใหญ่ มันหมายถึคนบงคนเกิดมามีชาติตนเนิศ ด, ดีพ่อแม่ดีอบรอเมเล่นๆท่านเป็นคนเรียลลิสติกตัวงานไม่เพ้อฝันเขาต้องมีสติดีลืมตัวน้อยลงนะครั้นได้ ย, ยินได้ฟังคําสั่งพระเจา้าเขาก็ต่อยอดได้เลยแต่โดยทั่วไปแล้วก็วขอให้ใ ห, ให้มองว่าเราเองมักจะลืมตัวบ่อยนะกําลังผัดข้าวอยู่กําลังอาบน้ําอยู่ใจอยู่ที่ไหนไไเงี้ยไฟเปลวว่อนเลย ดังนั้นต้องรวบรวมความรู้ตัวซึ่งเสมือนการสกด ต, ตัวเองซึ่งไม่ใช่นะการสกด ต, ตัวเองนั้นเป็นผลที่ัติพลาดเป็นการกระทําที่ผิดพลาดครับเป็นการต้านกระแสพลังของชีวิตนในตัวแล้วจะเกิดแรงเสียบทานหะรือขับแย้งมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็อุดปักจุกหน้าอกขอยรู้ว่าปฏิบัติผิดครับเหมนการเจริญภาวนาดูตัวเองนั้นเป็นการกระทําแบบเล่นๆ อ, อ้ากแล้วพอเจอเล่นๆแปลงไม่ทํำไปเลย มันลําบากตรงนี้ภาษาเนอะผมบอกให้ทําแต่อย่าทําจริงแต่ให้ทําจริงๆริงเห็นข้อจากัดภาษาให้ปฏิบัติจริงๆริแต่อย่าเอาจริงแต่คนเรามีว่าศานาพอเริ่มเอาจริงก็เครียดทันทีเลยครับถ้าไม่เอาจริงก็คือไม่ต้องทําไม่ปฏิบัติมันลาบากจริงๆภาษามันมีข้อจากัดดังนั้นให้ปฏิบัตินะครับเพื่อให้รู้ตัวขึ้นพิรน้อยพิรุ้อยเหมือนสะสมเงื่อนพิรุบาลพิรุบาล วันสองวันแรกไม่มีผลนะครับเงินสบาททําอะไรไม่ได้สมัยนี้คนระับแต่ยี่สิบปีสามสิบผ่านไปกับการสะสมน้ำที่ระยอดของความรู้ตัวที่ระยอดคือหยดเมื่อปริมาณมันถึงระดับหนึ่งมันจะแปลหน้าที่มันนะฮะอย่างน้ําแก้วเดียวนี่ก็ดับกระหายได้น้ำํำถังหนึ่งอาบได้เงินบาทหนึ่งซื้ออะไรได้พัฟฟี่ได้สักลูกเน็ดเดียวแต่เงินแสนเงินล้านซื้ออะไรได้ทีเดียว นั้นเมื่อเจริญภาวนารู้ตัวเรื่อยๆนี่มาถึงจุดหนึ่งมันจะแปลสภาพครับอใช้คามาตกผลึกทางปัญญาก็ได้ครับมันแปลจากการรู้ตัวไปการเห็นล้วนๆนะครับทำให้เห็นอะไรเห็นรูปนามเห็นตัวเองเห็นอะไรก็ได้ที่มันมีให้เห็นถ้ามันไม่มีไปเห็นข้าวก็เป็นเรื่องสร้างขึ้นถ้ามันมีกลับทำไม่รู้ไปที่นี่ก็โง่ไปแล้วมันจะเห็นสิ่งที่เควรเห็นโดยธรรมชาติมันเอง เมื่อเห็นผีท่วนในตัวเองแล้วเหมือนถ้าเราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับเราหลงทางมาในป่าเจอบ้านหลังใหญ่มีห้องหับมากเราเข้าไปที่ห้องอาหารเห็นโตะ๊ะมีอาหารอุดมสมบูรแต่เราไม่กล้ากินนะครับเราไม่รู้มันเป็นอะไรเราต้องค้นหาเจ้าของบ้านเปิดดูทุกซอกทุกมุมทุกห้องพอทั่วถึงหมดแล้วสิ้นสงสัยแล้วกลับมากินข้าวค่อยปลอดภัยไงฉันได้แค่สันนั้นครับ พอ ร, รู้ตัวทุกชอกทุกมุมของอารมณ์เราแล้วนะครับรู้กายกายขึ้นไว้จะทัท่วงทีขึ้นนะรู้จิตรู้ความรู้สึกตัวอะไรสารพัดที่ให้พึงรู้ที่มันมีอยู่จริงมีสภาวะจริงรองรับ เ, เมื่อรู้ทั่วแล้วนี่ข้อเกิดอาการลืมตัวครับลืมลืมตัวซึ่งนี้เป็นการคลายออกมันเหมือนการเข้ามองครับทีแรกมืด ยิงเดินยิมืดยิ่งเดินยิ่งมืดยิงยิงมื ด, ดแต่พอถึงกลางมงล้มแสงลำลายนะครับเพราะปลายมงมันเป็นทางเปิดสว่างออกมืดแล้วสว่างครับแต่ถ้าสว่างก่อนมันจะไม่เข้ามงครับมันจะสว่างโลด้วยปริยัติอยู่อย่างนั้ น, นทั้งเป็นทั้งชาติอยู่างนั้นนะครับดังนั้นการรู้ตัวแบบลืมตัวนะครับจะเป็นการคลายตัวออกแต่ว่าจะคิดมากถึงผลครับต้องปฏิเดิมในการทําความรู้สึกตัวซะ ก, ก่อน คิดถึงอิ่มโดยไม่กินก็หิวอยู่นั่นเองครับครูอาจารย์ให้นภาษารู้ตัวแล้วให้ลืมตัวเนี่ยมันฟังยากผมอธิบายผมบอกแล้วฟังห้เอาเพื่อเอาให้ง่ายสิครับเรื่องตัวถนัดคือรู้ตัวแล้วให้ลืมตัวให้เหมือนความว่าไอ้ลืมคํานี้เหมือนว่าไม่ยึดมั่นในที่ถูกรู้นั้นใช่ไหฮะคือไม่ยึดมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นไม่ต้องไปรู้ตัวอะไรอีกแล้ว ืไม่เลยคือปล่อยนะก็ได้ครับดั่นปล่อยวางด้วยเรื่องอะไรได้เรองนี้เข้าใจแล้วตะองบอกว่าให้รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวให้ลืมตัวมันฟังแล้วมันมันก็ลาไหลเพมันไม่มีลำบากแยังจะบอกเต่อนั่นเองหมบอกเตือนรู้ตัวแล้วก็ไม่ยึดมันเหมือนก็ลืมลืมลืมถาูนไม่บก็คือว่าไม่ยึดมั่นในตัวนั่นะ นะครับส่วนที่ว่าพระเจ้าว่าเออมาร์น็อกมจะไปหาผู้หญิงดีหรือจะหาตัวตัวตัวตัวเองดีมาร์น็อกกับกรมพราหมณ์เาชอบทีหาอัตตาพระเจ้าต้องต้องต้องยื่นเดือไว้ก่อนนะะเริ่มต้นเลยจะหาอัตตาดีจะหาผู้หญิงดีพรามชอบใจก็ต้องการหาหักตาครอเป็นพรามจะหาตัวตนพรามณทุกคนจะหาตัวตนก็ไพยายามหาหาไปหามาลืมตัวแล้วไม่มีตัวแล้เป็นพระหัรครับตอนนี้ เราคงเราคง เ, เ, เล่นกลภาษากัานหรือเปล่านี่ยครับเราเดินหมาคือสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวภาษานะครับเป็นอยู่มาที่นอกสนใจนิ้วที่ชี้ไปที่ประจันนะครับถ้าเราใส่ใจในนิ้วมากเราจะลืมดูประจันไปนิ้วมันชี้บอกภาษามันบอกถึงสภาวะให้เราดูอันนั้นเราอย่ามาดูอันนี้เข้าอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องรู้ว่า ภาษามันรับใช้เราได้ระดับหนครับมันไม่อาจตอบสนองได้ถึงที่สุดภาษาวกที่บรรลุธรรมเฉพาะก็พักก็ไม่ใช่ด้วยภาษาครับลำพังคำพูดต่อองค์คริมานว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดตอนเราอัดเทพแล้วเราฟังกันคืนละห้าร้อยเดียวเราก็เหมือนเดิมคมันขึ้นกับสภาวะภายในของผู้นั้นมากกว่านั้นคาพูดที่ว่า เราอยู่แล้วเธอไม่หยุดผมเชื่อคงไม่ได้หมายหยุดฆ่าก่อนนะครับแล้วคําคนอาจจะหมานถึงอัปตาตัวตนก็ได้นะครับก็เป็นได้แล้วก็องค์คริมานั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะแปลกใจในฐานะชาวพุทธซึ่งพุทธศานาเผยแผ่มาสู่ประเทศนี้นานรับพันพันปีนะครับต่อคําพูดง่ายๆที่ว่าทําไมองค์คริมานจึงสมท า, านการฆ่าคนโง่ลายฟานนั้นถูกหลอกถึงขนานั้นเซวลนี้เคยคิดเล่นบ้างไหมครับว่า ถ้าคนโง่าปานนี้เป็นอนุขันได้อย่างไรแต่ถ้าเราคุคนเคศาสนาในอินเดียนะศาสนาแห่งโจร น, นะครับหรือเราได้ยินข่าวที่ญุ่นโอมชิลิเกียวนะครับนั่นคือศาสนาปฏิวัติสัญลักษณ์ของเท พ, พเจ้าผู้ทำลายล้างดันั้นการประหารชีวิตการฆ่าสัตเชื่อส่งวิญญาณสู่สวรรค์ก็คิดก็มีระบบคิดเขาอย่างนี้ด้วยนะแต่นั่นไม่ใช่พุทธศาสนานะ หลายลัทีิเชื่ออย่างนั้นนะครับตายเนี่ยดีแต่ทั้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่นี่จะฆ่าคนเราฆ่ากับฆ่ากิเลสที่ทําให้คนเป็นทุกข์เนี่ยพุทธศาสนาเน้นมาที่ตรงนี้ครับด mm ังนั้นสิ่งสําคัญผมผมอยากจะเรียกร้องให้อ่าอยา่าสนใจต่อรายละเอียดมากนะครับ mm hmm. ถ้าเราแตกสู่รายละเอียดมากเราจะหลงโคลงกลายเหมือนตอน้นไม้จะแตกตอนในสุดเราจะหลงโขนที่มางมัน ประมวลลงมาที่คำสอนที่เน้นหนะที่พระเจ้าสอนเรื่องสีประทานนะครับปีประทานสี่ที่ันยืนยันว่าเจวันเจ็ดปีเจ็เดือนเจ็วันยัต้งเช้าเย็นเลยนะครับสี่ประทาน4ี่นั้นเป็นแกนกลางที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกแตละรัฐพิแตละนิกายในเครือพุทธศาสนาได้ไประยุกต์ใช้ออกสู่เทคนิคต่าง ผมจะไม่เป็นลายขย่ยความมากกว่านี้นะครับมีคําถามก็ถามได้อีกครับผงตอบอยังไมหมดแต่ว่าวพอสินะครับอตอบตอบใช่ไหมคะอาจารย์คะระวันแนรกมีข้าเป็นศูนย์หรือไม่นะคะหรือว่ามีแบบไม่มีแบบมะม่วงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้ามีคนรับรู้ก็ฏิญจณมีค้าถ้าไม่รับรู้ก็ไม่มีค้าอะไรฝากคุณ เ, เดือนหน้า<ต>ดีไหมครับรุ่วันยาวนะ ไปจะตอบสั้นๆได้ครับว่านีหลายคนที่กังขาในเรื่องสวรรค์นรกไม่ใช่พีมพความหมายว่าบนดินหรือใต้ดินหรือบนฟ้านะครหมายความสภาวะที่เป็น ส, สุดยอดสมอุดมการนั้นมีจริงไหมความหมายไม่ได้อยู่ที่วันมิมาณที่เป็นตัวปราสาทอะไรอย่างเงี้ยแหมายว่าความสุขสมบูรณ์สุดยอดนั้นเมืนเป็นคำตอบหรือเปล่าเง่นคือสวรรค์บางทีเรียกสุกติ ทุกตีก็ตรงข้ามนั่นเองนะครับถ้าเราเยืงคําอธิบาลแค่นี้เราตอบด้วยตัวเราเองได้ครับในอดีตผมยกตัวอย่างตัวเองประกอบไม่ได้เอาตัวเองมหลังนะแต่ว่ามันเอาประสบการณ์เข้ามาอย่างว่าบางครั้งผมเหมือนอยู่ในวิมานแต่วิมานนันแปลว่ามีมานะอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้น เท hey, พเจ้าผู้อยู่ในวิมานล้วนแล้วแต่มีไอ้ยดอักมิมานะแรงเขาจึงมีสุขมากมากสุขในตัวเองด้วยความยึดถือเพผู้จุตติแล้วผู้ทําบุญนุ่มากนะครับ<ม>ก็จะเกิด<ม>วิมานบุญขึ้นรองรับเขาจุตติจะฐานะจิตดวงหนึ่งเข้าไปสู่มณเพียนของวิมานบุญในทางกลับกันก็เป็นอารกณ้าเามองตัวภาวะทาําจิตใจผมว่านี่มีประโยชน์ คือคือความเชื่อใดเนี่ยเราต้องเลือกครับบางคนเลือกเชื่อนรกสวรรค์จริงๆก็ได้นะเขากลัวนะตายไปแล้วตกกระทังแต่เขหวาดเสียวก็รีบทำค ำ, ำนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าดูจะเป็นความเชื่อที่ที่ค้นหาที่มาที่ไป ล, าลําบากแล้วถูกค้านถูกวระย่เง่ายใต้ดินเนี่ยนับทอนนี้พิสิทธ์บอกเรานะมันมีเราว่าครับจะเรียกเราว่าเป็นนรกนีนก่ก็พิลิกพลึก แลวสวรรค์บนฟานดูลึกไครับเครื่องบินบินเหนือเม่เห็นตันู้นนะแต่จะเชื่อก็ได้ครับเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นแรงจูงใจทางจริยธรรมนั้นคนที่เชื่อดีกว่าคนไม่เชื่อเ mm hmm. ชื่อสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วก็จากความเชื่อเป็นพลังทำว่าไม่กล้า ท, ำทำําทําบอกรแล้วก็ทำํำกุศลใช้ได้ครับ mm hmm. ผมอยากยมถึงเรื่องอธิปไตยนะซึ่ง mm hmm. เพื่อเพื่อ ทุ้มติ่งข้อเข้าใจิดเล็กน้อยในหมู่ชาวพุทธเรามักไดยินว่าธรรมาทิปไตยใช้ได้อัตตาทิปไตยโลกาทิปใช้ไม่ได้นี่ผิดไปครับผู้เจ้าไม่ได้จัดอย่างนั้นเลยผู้เจ้าจัดถึงอทิปไตยสามไว้นะครับในฐานะที่ใช้ได้ทั้งสามครับท่านอินบาลอย่างนี้ครับว่าคนบางคนนั้นตื่นขึ้นกลางดึกนะแล้วคิดถึงตัวเองว่าตัวเองยังทุกข์ยากอ ย, อยู่ปลาลกตนขึ้นมาเป็นหลักแล้วภาวนา เรื่ออัปต่าทิฏฐิใช้ได้แล้วต้องใช้ด้วยสิครับเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นนะแต่คนบางคนไม่ใช่อย่างนั้นครับคนคนดําริในใจว่าอาจารย์เราเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงย่อมอาจจ่านใจเราออกถ้าเราคิดชั่วคิดเลวขี้เกียจตายท่านนะปลาลบผู้อื่นแล้วลุกขึ้นเผานาก็ใช้ได้ครับทีนี้ธรรมมาทิฏฐิตยไม่ปาลารบตนไม่ปาลารบโลกไม่ปาลารบผู้อื่นเลยปาลารบกลไกในตัวมันเองนี่ครับ เหตุผลในตัวมันเองเรียกปลารกทำธรรมมาพิจารณไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจแรงกลักแรงจุงจะพูดเลยถ้าได้ครับใช้ได้ทั้งสามเลยครับแต่เมื่อเราเข้าใจจิตไปแล้วเราก็ตัดสองประเด็นซึ่งเป็นหลักสําคัญเนอะปลาลกตนขึ้นมาตอนอยังทุกข์อยู่นึกถึงตัวเองว่าโรคภยัยไข้เจ็บเปรียบเบียนอายุแก่เท่าเราต้องทํากิจที่สําคัญก่อนปราลบชิ้นนี้ปาลารกถึงตนที่นี้แล้วก็ภาวนาใช้ได้ดีครับ แต่ถ้าเปรียบกันแล้วเนี่ยธรรมมาทิพย์ตัยบริสุทธิ์กว่าคือมันไม่ติดตยึดอัตตาว่าอัตตาของโลกและอัตตาของตัวเองแต่เราต้องเข้าใจจีท่วนว่าอาทิตยตายสามใ้ได้แตเราเข้าใจมันดีเราก็ใช้มันเหมาะสมนะครับบางครั้งต้องใช้อัตตาธิพยตายต่วลบตัวเองบ้างว่าทุกยากอย่างไรถูกทอดทิ้งอย่างไรถ้าคืนไม่รู้ธรรมานี่คนที่เราอิงแอบอยู่ตายไปเราจะอยู่ยังไง นี่คืออัตราที่กรยครับมีไหมครับมีค ำ, ำถามสุดท้ายท่านค่ท่านจะสรุปอย่างนี้ถ้าไม่ตรงกับความคิด อ, อาจารย์ก็ช่วยสรุปให้ด้วยนะคะในขณะที่ความคิดก็คือเออในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่คิดนะคะก็จะสรุปว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ห้ือไม่ใช่นะคะอาจารย์ ผมจะไม่ตอก ว, ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเหมือนกฤษณโมติชอบพูดเรื่องนี้มากนะครับเรื่องของการแบ่แยกระหว่างเพศที่เราครับ ต, ต้องให้โอกาสผมพูด <laughs> <c oughs> เรามักจะได้ยินตัวอย่างจากคำสอนครูระดับนาของโลกเช่นกฤษณมติพดีหรือผู้สอนสายนั้นพอดีนะครับให้พิจาดอกไม้ แล้วก็ภูมิหลังนะครับว่าเราดูดอกไม้ถ้าเราคิดแทรกเขไปนี่มีผู้คิดแต่การศึกษาในกรณีอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนครับการดูความคิดผู้คิดกับผู้ดูเนี่ยกนนั้นเดียวกันครับพอเห็นมามันจะดับทั้งคู่ผมอธิบายตามความสื่งผมนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องในธรราเนี่ยพอความคิดปรากฏขึ้นในขณะนั้นการเห็นปรากฏขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับ เนกสองก้อนปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วกลาดละอองน้ครมันพูดไม่ได้มีผูดดด้ดูผู้คิดหรือผูดสิ่งที่ถูกคิดอะไรสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราหมายตาขึ้นนะเราหมายว่าเมียนั้นเมียนั้นแต่ถ้าเราเอามาดูอาการภายนอกเส้นผมนั่งดูท่านสงวนอยู่ท่าสงวนถูกผมดูไอ้นี้อันนี้การสอบสวนทางด้านจิตวิทยาครับไม่ใช่การภาวนานะไม่ได้นั่งดูอย่างที่แล้วก็นี่ไม่ใช่การภาวนาเลยครับโดยข้อที่จริงก็คือ ผู้คิดผู้เค็มผู้เปรี้ยวผู้หวานเป็นวิญญาณครับนี่โดยหลักดังนั้นเองเราจะจับมันไม่ทันนะครับดังนันจะมีความคุ้มครืออยู่ตลอดในการสอนแยกแยะในเชิงจิงตวิทยาแล้วโดยข้อเท็จจริงใ่าง่จิวิทยานใ น, นี้ก็ไม่มีใครยืนยันเลยว่าการมี่ซิกมันต์บอยพูดเรื่องจิตใต้สานึกจิตมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับในผู้ศักนานั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะถ้าจิตใต้สานึกจิตกึ่ทํานึกจิตเนื้อทําึก แจกแตจงขึ้นมาเพื่อบำบัดช่วครั้งช่วงช่วคู่ตัวงยาวนะเราประกาศงานวิสุดของนักจิตวิทยาก็คือที่ประมวลสรุปว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมดถูกคอนโทรลภาย ใ, ใต้เซ็กซ์นี่ไม่จริงในพุทธศาสนะาศาสนาคามีอยู่ในลำนดับนั้นได้ น, นะครับแต่ในการข้อสรุปซึ่งนันกวิชาการนี้เชื่อกันทั่วและพานออกมาจับตัวพุทธศาสนาด้วยนะผมขอเตือนให้ระวังมากๆนะครับในจิตวิทยาหรือ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเนี่ยผู้คนเหล่านั้นเป็นนักวิชาการแนวนำหน้านะครับแล้วก็หันมาสู่พุทธศาสนาด้วยความคิดว่าเข้ากันได้กับวิชาฟิสิกส์โอ้ผมรู้สึกอันตรายมากๆการมาพุัธศาสนาไปเจอเข้านะวิทยาการเหล่านั้นไม่ใช่เสียหายนะครับแต่ว่าวิทยาการเหล่านั้นยังอยู่ในถ้ำกลางความแปรปรวนแล้วก็ข้อรู้ต่างๆเกิดเป็นกรณีเท่านั้นสําหรับความรู้ที่พระเจ้าประทานมาให้ เกิดจากการตรัสรู้ครับความรู้ที่เกิดจากการตรัสรูแตกต่าง ก, กันมากกับความรู้ที่สะสมเข้ารู้ที่ตรรกรณ์นะในนี้เราคนเปกันมา ก, มากนะครับเหมือนผมชอบตัวอย่างอนาริติกอันหนึ่งนะครับความคิดในเชิงต่กกางๆแยกแยะรู้จริงกันแต่รู้เป็นประเด็นแล้วการรู้เป็นประเด็นไม่เห็นเข้าโครงทั้งหมดได้ลกลับกลายเป็นปัญหาคุก ค, คามภาวะแวดล้อมในทุกวันนี้นะครับหรือคุก ค, คามต่อวิชาการทั่วๆไปที่นักวิชาการ ตีกันยุ่งกัหมดคนหนึ่งก็พูดยามคนหนึ่งคนนึงก็พูดพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับส่วนการสัตย์รูนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ไม่ใช่พระเจ้านั่งคิดเป็นกรณีนะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดโดนดานขึ้นมาในพระคัมภีร์สักสิบหลายเล่มนะรามิชวิสตราเล่มหนึ่งที่บอกว่าความรู้แจ้งทั้งหมดของพระเจ้าเกิดขึ้นช่วงขณะทีเดียวในขณะทีเดียวแวบเดียวเท่านั้นบางทีอาจเป็นข่าวสารที่ พิสดานนะครับเป็นข่าวสารที่ก่อเกิดทั้งกําลังใจให้เราขนไถ่ไม่ว่าฐานะเราจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับหรือปฏิบัติยาเรามากหรือน้อยถ้าถึงเวลาที่จะรู้แจ้งเกิดเผยขึ้นมาเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกไม่ใช่เราอยู่โหล่ท้าแฉวทําบุญน้อยเป็นกี่้อยชาติก็เข้าสู่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาถ้าถ้ายังคานแรงเหลือยกยอดไปเดียนหน้านลยครับ งันก็ขอที่ติดเท่านี้ครับ